ที่นี่ N S K World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ N S K World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักข่าวในรัสเซียรายงานว่ากลุ่มมือปืนได้สังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย15นาย ในสาธารณรัฐดากสถานทางตอนใต้ของรัสเซียโบสถ์ออร์ทอดอกหนึ่งสองแห่งโบสยูหนึ่งแห่งและป้อมตำรวจในเมืองเดียเบนและเมืองมาคัชคาลาถูกโจมตีพร้อมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนองค์กรชาวยูวระบุว่าคนร้ายจุดไฟเผาโบสยิยูในเมืองเดียเบนภาพวิดีโอแสดงให้เห็นควันลอยขึ้นมาจากอาคารที่ไฟไหม มีรายงานที่อ้างคำพูดของนายเซอร์เกย์เมริกอฟผู้ว่าการของดาเกสถานซึ่งกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อยสิบห้านายและพละเรือนอีกจำนวนหนึ่งถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้เขายังกล่าวอีกว่าคนร้ายหกคนถูกสังหารและสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานท้องถิ่นแล้วยังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์คณะกรรมการสืบสวนของรัเสเซีย ได้เปิดการสอบสวนสิ่งที่หน่วยงานเชื่อว่าเป็นการโจมตีก่อการร้ายนักการทูตอาวุโสจากญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ออกถแถลงการร่วมประนามสนธิสัญญาใหม่ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือที่เสริมสร้างความร่วมมือทางทหารทวิภาคีถแถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้การประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัสเซีย และนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแถลงการดังกล่าวออกโดยนายนามาสุฮิโรยุกิอธิบดีกรมกิจการเอเชียและโอเชียเนียในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจุงปักเจ้าหน้าที่อาวุโสประเด็นเกาหลีเหนือของสหรัฐและนายโชคูเรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้พูดคุยทางโทรศัพท์ในวันจันทร์ที่24มิถุนายน แถลงการร่วมระบุว่าสนทิสัญญาใหม่ที่ขยายความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียควรเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งและยังประนามการถ่ายโอนอาวุธจากเกาหลีเหนือไปอยังรัสเซียด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยระบุว่าการกระทำนี้ละเมิดมติหลายข้อของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและคุกคามเสถียรภาพทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและยุโรป เจ้าหน้าที่จากสํานัก ง, งานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักและมีฟ้าขนองทางตะวันตกของญี่ปุ่นจนถึงวันอังคารที่25มิถุนายนพวกเขากําลังเรียกร้องให้เฝ้าระวังดินถลม่มเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามวลอากาศอุ่นและชื้นกําลังเคลื่อนที่ไปทางแนวฝนตามฤดูกาลทางตะวันตกของญี่ปุ่นและว่าสิ่งนี้ทําให้สภาพบรรยากาศในภูมิภาคแปรปรวนอย่างมาก แนวฝนดังกล่าวทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นช่วงๆทางตอนใต้ของคิวชูเกาะทางใต้ของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแนวฝนดังกล่าวคาดว่าจะเคลื่อนลงใต้ไปสู่หน้าน้านํานอกฮอนชูเกาะหลักของญี่ปุ่นและจากนั้นจะคงอยู่บริเวณตอนใต้ของคิวชูพวกเขากล่าวว่าคาดว่าจะมีฝนตกมากถึง150ม mm มในตอนใต้ของคิวชู ในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันอังคารที่25มิถุนายน130มิลิเมตรสำหรับตอนเหนือของคิวชูและ80มิลิเมตรสำหรับภูมิภาคคิงกิกเจ้าหน้าที่เตือนว่าปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถลม่มเนื่องจากพื้นดินอาจอุ้มน้ำไว้มากแล้วในบางพื้นที่ขณะเดียวกันในวันจันทร์ที่24มิถุนายน อุณหภูมิพุ่งสูงถึง36องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นอุณหภูมิสูงสุดระหว่างวันสูงขึ้นถึง 36.8 องศาในเมืองซาโนะจังหวัดโทจิงิ 36.4 องศาในอุชิกุเมืองอิชิฮาระจังหวัดชิบะและ 33.4 องศาในใจกลางกรุงโตเกียว สมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุน่นซึ่งเสด็จเยือนสหราชาอาณาจักรอย่างเป็นทางการพร้อมกับสมเด็จพระจกักรพรรดินีมาซาโกได้เสด็จเยือนศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุน่นสมเด็จพระจกักรพรรดิเสด็จถึง j จแปนเฮ u ส์ล o n ด o นเมื่อวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนสถานที่นี้นำเสนอศิลปะการออกแบบวิธีทำอาหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีของญี่ปุน่น และได้เปิดตัวโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นในปี 2,561 พระองค์ทอดพระเนตรชั้นหนึ่งของศูนย์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารงานฝีมือแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากญี่ปุ่นได้สินค้าที่วางขายรวมถึงเครื่องเขินวาจิมะนูริจากจังหวัดอิชิกาวะแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อคาบสมุทรโนโตในจังหวัดและที่อื่นๆ จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิได้เสด็จไปยังนิทัศการที่เน้นการนำเสนอการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งคัดเลือกโดยครีเอเตอร์ชั้นนำของญี่ปุ่น7คนงานแสดงในนิทัศการรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาจากสมัยโจโมงที่คาดการว่าเริ่มต้นเมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงชุดกีฬาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล้าสมัยและได้รับแรงบันดาลใจจากคมไฟกระดาษขนาดยักษ์ ในจัังหวดโทยมะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขของซาอุดีอาระเบียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,300 คนจากอากาศร้อนจัดระหว่างการสแสวงบุญฮัตประจำปีทุกปีชาวมุสลิมจากทั่วโลกเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเมกกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียผู้สแสวงบุญราวหนึ่งล้านแปสคนเข้าร่วมพิธีฮัตในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่14ถึงวันพุทธที่19มิถุนายนในสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงกว่า50องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนายฟาฮัตเอลจาลาเจลรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขของซาอุดีอาระเบียกล่าวในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่าผู้สแสวงบุญ 1,301 คนเสียชีวิตจากฮีตสโตรกและสาเหตุอื่น เขายังกล่าวอีกว่าผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยละไม่ได้รับวีซ่าที่ต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมพิธีฮัทพร้อมเสริมว่าการที่พวกเขาไม่ได้ใช้ที่พักและบริการขนส่งอย่างเหมาะสมอาจเป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาเสียชีวิตได้พิพิธภัณฑ์ชื่อดังในเมืองคานาส awa ของญี่ปุ่นกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง เกือบ6เดือนหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คาบสมุทรโนโตในวันขึ้นปีใหม่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่21ในคานาซาวะจำต้องปิดส่วนการจัดแสดงหลายส่วนเนื่องจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทั้งหมดได้เปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันเสราร์ที่22มิถุนายนหลังดำเนินมาตรการความปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์ ผู้มาเยือนสามารถเยี่ยมชมการจัดแสดงยอดนิยมของศิลปินลีอันโดเอร์ลิชที่มีชื่อผลงานว่า The Swimming Pool ซึ่งทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่ใต้น้ำผู้คนต่างมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านกระจกใสเหนือสี่สระของตนและถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศ ญ, ญี่ปุ่น